มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาจะตุทวักนิพพานะและพณะปัญหาที่เก้าถามว่า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 พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ ถ, ถามว่าเหตุไฉนจิงไม่ได้พระนาคเส์จิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนทั้งหลายเกิดมาจะได้พระนิพพานสิ้นด้วยกันหาไม่ได้สัมมาปฏิปันโนอาภิน ย, ยเยต่อเมื่อไรปรนิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติไปให้รู้ธรรมอันวิเศษ ได้ทำอันวิเศษดำริให้จิตจะใครรู้ธรรมวิเศษนั้นปหาตะเพธรรมเมประชะหันโตและเสียซึ่งธรรมอันลามกภาเวนโตยกจิตจำเริญซึ่งภาเวตัพรธรรมคือจําศีลภาวนาไปสัชิกรโรนโตกระทําให้แจ้งซึ่งธรรมอันควรจะกระทําให้แจ้งนั้นคืออรหัตตาผลแญาณ